วันเสาร์ที่22มิถุนายนพศ2539เป็นการบรรยายเรื่องประวัติการบรรลุธรรมของพระอริยสาวกโดยอาจารย์สุดเทศโพธิสัตธาท่านสาธุชนผู้ใคร่ธรรมที่เคารพประวัติการบรรลุธรรมของพระอริยสาวกในวันนี้จะกล่าวถึง ประวัติของพระอรหันเถระองค์ที่8181 เ, เข้าใจว่าองค์นี้ผมยังไม่ได้พูดใช่ไหมหรือพูดแล้วอสืบ ต, ต่อจากท่านอุบาลีท่านอุบาลีนั้นพูดแล้วองค์ที่181ที่ชื่อว่าอุตราปาละพูดได้อย่างเทียงนะฮะท่านอุตระปาละเป็นพระอรหันตอีกรูปหนึ่ง ซึ่งเกิดในสกุพลพรามชาวเมืองฟารานาสีที่ได้บวชนั้นก็เนื่องจากว่าท่านได้เทินทางมาที่เมืองสาวัตถีเมื่อสมัยที่พุทธเจ้าทรงกระทํายมกกระปติหารที่เมืองสาวัตถีนะครับเห็นยมกปติหารแล้วก็เลื่อมใสเหมือนกับอีกหลายหคนที่ได้เห็นในครั้งนี้แล้วก็ได้บวชมาถ้าเป็น พระในพระพุทธศาสนาในที่สุดเมื่อได้บวชเข้ามาแล้วปรากฏว่าท่านอุตรละปาละนั้นเป็นบุคคลผู้ที่จัดว่าเป็นราคะจริต ท, ที่ไม่ถึงกระแรงมากเหมือนอย่างบางองค์ที่ได้กล่าวต่อไปแต่ก็นับว่าเป็นราคะจริตและถูกราคาะลบกวนจิตของท่านอยู่เนือง จากการที่ท่านถูกราคะรบกวนราคะนี้หมายถึงความอินดีในเรื่องรูเสิงกินรสโพปรตพาลมนะฮะซึ่งเป็นเรื่องเบญจกรรมคุณท่านก็ใช้วิธีการที่เรียกว่ากําหนดดูจิตที่เรียกว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะสราคะจิตตังในจิตตานุกปราสนา สติปัฏฐานทำความรู้สึกหรือทำมรรการในใจว่าเราเป็นราชบุรุษที่ทำหน้าที่คอยจับโจรและโจรที่ท่านหมายถึงก็หมายถึงกิเลสและโจรที่ปล้นเรือนใจของท่านอยู่เสมอคือราคะ ก, ากิเลสท่านก็คอยกำหนดรู้กำหนดไร่ให้ทันจอกระทั่งสามารถที่จะจับได้คาว่าจับได้ของท่าน呐นะ ไม่ได้หมายความว่ารู้ว่าราคาเกิดเท่านั้นแต่จับได้ของท่านหมายถึงเมื่อราคะเกิดในครั้งหนึ่งท่านสามารถจะใช้มรดิการตัดราคาลึกอข่มราคะเอาไว้ได้ท่านจึงบอกว่าท่านสามารถที่จะจับราคาได้เหมือนกับจับโจรพร้อมทั้งของกลางคํำว่าพร้อมทั้งของกลางนี้ก็หมายความว่าโจร น, นั้นเมื่อจะปล้น ก็จะปร้นเอาทรัพย์สินทรัพย์สินที่ติดมือโจรไปได้ถือว่าเป็นของกลางชั้นใดก็ชั้นนั้นราคะเมื่อจะเกิดเนี่ยก็มีที่อาศัยเกิดที่อาศัยเกิดนั่นก็คือวัตถุกรามกรรมาราคานั้นมีวัตถุกรามเป็นที่อาศัยเกิดวัตถุกรามเป็นเหตุราคาเป็นผลการที่ท่านกำหนดรู้ว่าราคาเกิดเกิดเพราะอะไรราคาเกิดเกิดเพราะอะไรการกาหนด รู้ทั้งกิเลสก ร, รมและวัตถุก ร, รมอย่างนี้เหมือนกับตารวจจับโจรได้พร้อมทั้งของกลางจึงทำให้ราคานั้นหมดฤทธิ์เมื่อท่านข่มราคะได้ท่านจึงสะดวกในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเมื่อทำวิปัสสนากรรมฐานได้โดยสะดวกท่านจึงบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ หลังจากนั้นแต่นี้ตามที่ท่านบอกเขาเป็นนั้นว่าท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้จากพื้นฐานของบุคคลที่มีราคะจริตนี่เป็นเรื่องของท่านอุตรละปาละผมกล่าวประวัติท่านท่านนี้เราไปดูอีกรูปหนึ่ ง, อ, งอีกรูปหนึ่งชื่อว่าอะพิภูตะท่านอะพิภูตะนั้นเป็นพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งที่มาจากสกุลกษัตริย์ ไม่ใช่สักด่ว่าสกุลกษัตริย์เท่านั้นนะครับเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยครองนครเวชปุรัชหรือเวชบุรีเอ่อก็เราจะเห็นว่ามีพระมหากษัตริย์หลายองค์ที่ได้ออกบทแลวเป็นพระอรันเอ่อในคราวขรางหนา้นาเราจะได้สรุปกันดูว่ามีกี่องค์และลำดับศักดิ์ศรีของความเป็นกษัตริย์ใหญ่เล็กแตกต่างกันอย่างไรประวัติท่านว่า ท่านได้พบพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ทรงสเสด็จจาริกไปในชนบทคือที่นครของพระองค์เนี่ยซึ่งอยู่ภายนอกในเขตปัจจันตาชนบทก็ได้ไปเข้าเฝ้าฟังธรรมก็ทีแรกก็ได้แต่เรื่มสา ย, ยังไม่ได้บวชทันที วันแรกมาฟังธรรมเห็นว่าวันที่สองนั้นท่านนิ ม, มนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์หมู่ใหญ่ถาวายมหาทานเลี้ยงพระทั้งวัดเถ้าพูดอย่างนี้นะะเรียกว่าเลี้ยงพระทั้งวัดพระผู้มีพภาคเมื่อได้ทรงสเสวยพระกยาหารแล้วก็ได้ทรงอนุโมทนาด้วยเทศนาชนิดที่เรียกว่าเหมาะแก่จริตของเจ้าภาพคือพระชประดิษฐ์เนี่ยอจากผลของการเทศนาอนุโมทนา ในวันเลี้ยงพระเนี่ยท่านก็ได้ศรัทธาเลื่อนระดับขึ้นถึงขนาดตัดสินใจว่าจะต้องออกบวชจึงได้สะละราชสมบัติแล้วออกบวชและวท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปโดยง่ายๆครับคือบวชแล้วก็ไม่ไม่กี่วันนะบรรลุเป็นพระอรหันต์ทีนี้เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆครั้งหนึ่งท่านก็มาโปรดญาติพวกญาติแล้วก็พวกอํามร์ ราษฎรจำนวนหนึ่งก็มาโอดครวนหรือโอดออดอ้อนกับท่านว่ า, าพระคุณเจ้าซึ่งเป็นพระราชามหาพุพิธเนี่ยได้ทอดทิ้งพวกเขาเหล่านั้นเสียแล้วมาโอดครวนว่าอย่างนี้ท่านก็กล่าวเป็นในว่าความจริงนั้นไม่ใช่เป็นการทอดทิ้งและ ความหมายของการที่ว่าไม่ทอดทิ้งเนี่ยก็คือแต่ละคนนั้นต้องทําตัวเองให้เป็นที่พึ่งอย่าคิดแต่จะพึ่งคนอื่นแต่เพียงอย่างเดียวก็หมายความว่าการจะพึ่งคนอื่นนั้นก็คือพึ่งเพื่อให้พึ่งตัวเองได้ท่านก็อบรมสั่งสอนไปในลักษณะอย่างนี้พวกทา่ทานทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ธรรมะเป็นที่พึ่งก็ไม่มานั่งอดครวนอย่างนี้กันอีก นี่เป็นเรื่องของพระที่ชื่อว่าท่านอะพิภูตะต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามองค์นี้ชื่อว่าโคตมะชื่อเหมือนพระพุทธเจา้าท่านโคตมะนี้เป็นชื่อที่เรียกด้วยอำนาจของโคตเพราะว่าท่านโคตมะนั้นเกิดในสกุลเดียวกับพระพุทธเจา้าคือเป็นพวกศักยะสะกุลเป็นบงการศัตริย์ พระพุทธเจ้าเองนั้นคําว่าโคตมะโคตมะนั้นโดยมากพวกนอกศาสนาจะเรียกและพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเมื่อจะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าของเราก็จะทรงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคอา<ม>พระองค์นั้นมีนามว่าโคตมะโคตมะพุทธะแต่ว่าพระษาวกทั่วไปไม่ไ ม, ไม่ไม่นิยมเรียกพระพุทธเจ้าว่าโคตมะแต่สําหรับท่านผู้นี้น่ะได้ถูกเรียก ชื่อตัวด้วยอำนาจของโคดว่าโคตมะในหมู่เพื่อนสาพรหมจารีและพุทธบริษัททั้งหลายการที่ท่านได้บวชก็ได้บวชเมื่อวันที่พระเจ้าเสด็จไปโปรดพญาติการเสด็จไปโปรดพญาตินั้นได้ทําให้พวกเจ้าชายในสากยศกุลออกมาบวชเป็นอันมากทั้งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและหลายๆรูปเราไม่ทราบ ก็ยังไม่ได้นับว่าพระอาหารหันต์กี่รูปที่ออกบวชก็โดยมากจะบอกเป็นจํานวนเยอะๆแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครรู้ได้ก็บางองค์นะครับเช่นพระอานนนพระอนุทธะเป็นต้นนี่ก็ไปบวชออกบวชเพราะว่าได้พบพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จโปรดพระญาติเมื่อท่านได้ออกบวชแล้วก็ได้เจริญวิปัสนาบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้อภิญญาหกไปอย่างง่ายๆไม่ยาก ชีวิตของท่านก็ไม่มีอะไรที่เรียกว่าตื่นเต้นอะไรมากนะักการนี้เมื่อได้บรรลุเป็นปลาอรานแล้วนานๆท่านก็มาเยี่ยมญาติก็ญาติของท่านญาติของท่านนี่ก็หมายถึงว่าพวกญาติใกล้ชิดที่เป็นบุคคลในครอบครัวของท่านนี่นะครับก็มักจะมากล่าวเป็นเชิงบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะ่ะ เหมือนกับที่กล่าวกับท่านอ า, อาภิพูติเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเาพระคุณเจ้าทอดทิ้งพวกเราไปเสียแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้ท่านาก็อยากจะระงับหรือให้สติปัญญาแก่ญาติท่านจึงได้สอนว่าท่านอย่าได้พูดอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้นไม่สามารถที่จะทําให้พ้นจากวัฏภัยได้ ก็เลยแสดงว่าตภัยให้ฟังว่าการที่ได้บวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันเนี่ยทําให้ได้รู้ว่าเราเนี่ยได้เคยเกิดท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตลงนรกบ้างเป็นเปรตเป็นสุรกายบ้างเป็นเนรฉานบ้างขึ้นสวรรค์บ้างกระทั่งไปเป็นเนวสัญญานาสัญญาอตนะพรมก็เคยมีไปเกิดในอารมณ์ประภมทั้งสี่ชั้นก็เคยมีวนเวียนผัดเปลี่ยนกันน่าเบื่อหน่ายเพราะนั้นการที่เรา มาเกิดเจอกันเนี่ยในสุขก็ต้องทอดทิ้งกันทิ้งกันในลักษณะที่เรียกทิ้งแล้วก็ช่วยเหลืออะไรกันไม่ได้แต่การที่เราได้เข้าถึงธรรมแล้วก็ได้ธรรมะเนี่ยมันเหมือนเป็นการทอดทิ้งแต่ว่าผู้ที่ได้ธรรมะแล้วเอาธรรมะมาโปรดมาส่งเคราะห์แก่ญาติก็ราตามให้ญาตินั้นได้ชื่อว่าไม่ถูกทอดทิ้ง คือนำขึ้นสู่ฝั่งไปนิพพานได้นั่นแหละครับนี่ก็เป็นประวัติของท่านโคตมะต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสี่มีชื่อว่าหาริตะท่านหาริตะนี้มีพฤติกรรมคล้ายกับท่านปิลินทวัตชะอย่างหนึ่งคือท่านปิลินทวัตชาเนี่ยเราคงจำได้ว่าเป็นพระอรหันต์ที่ ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่รักของเทวดาแต่พร้อมกันนั้นท่านปรินทวัตชาก็มีลักษณะไม่ดีอันหนึ่งคือชอบเรียกคนอื่นว่าเป็นคนถอยมีความรู้สึกคนอื่นเป็นคนต่ำต้อยกว่าตัวเองไปหมดก็ด้วยเหตุว่าท่านเองท่านเคยเกิดเป็นคนสูงมาหลายชาติอ่าที่เป็นที่รักของเทวดาก็เพราะว่าเคยเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมาแล้วและทําให้เทวดาได้เป็นเทวดา เพราะพระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์นี้ตอนนั้นได้แนะนำทางสวัส์ให้ก็ลลเลยยังระลึกถึงบุญคุณแล้วก็เพราะความเป็นคนสูงเนี่ยเลยทำให้เป็นคนที่เห็นคนอื่นเป็นคนต่าแล้วก็มักจะเรียกคนอื่นว่าเป็นคนถอยท่านหาริษะนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสูงก็เรียกว่าเป็นพวกที่มีมา n a เพราะชาติสำคัญว่าตัวเองเป็นคนเกิดในวันณะสูง คนอื่นเป็นคนต่ําเลยเรียกคนอื่นว่าเป็นคนถอยกระทั่งวันหนึ่งได้มาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ความสลดใจกระทั่งบวชเวลาพระพุทธเจ้าท่านเทศเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเวลาเทศท่านท่านจะตรวจดูจิตคือสามารถที่จะดึงความคิดของคนเนี่ยที่นั่งๆอยู่เนี่มาอยู่ในห้วงอหทัยของท่านได้ว่าใครคิดอย่างไรและถ้าคนไหนคิดอย่างไรแล้วก็ไม่มีประโยชน์ต่ อ, อ ก, การบรรลุธรรม ก็ไม่เอาความคิดนั้นมาเป็นสาระในการปรับบทเทศให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นอย่างไรหรือไม่แต่ว่าคนไหนที่มีความคิดแม้จะเป็นความคิดในทางอกุสลเลวทามอย่างเช่นทันหาธิตะเนี่ยเป็นคนที่เกิดมานะจัดกระทั่งว่ามาฟังพระพุทธเจ้าเทศก็พกมานะพกอุทตั จ, จเข้ามาด้วยพระพุทธเจ้าเมื่อทรงรู้ว่า ท่านผู้นี้มาฟังเทพโดยด้วยมานะท่านก็สแสดงธรรมะในลักษณะที่เรียกว่าจับจ้วงกิเลสไม่ใช่จาบจ้วงความดีจ้วงแทงกิเลสของบุคคลผู้นั้นทำให้ผู้ฟังธรรมเกิดความรู้สึกว่าผู้สแสดงธรรมนั้นรู้ทันความผิดอันเลวทรามของตัวก็เกิดความสะดุ้งสะเทือนในที่สุดก็เลยเปลี่ยนความผิดมาเป็นศรัทธาแล้วก็ได้ออกบท เมื่อได้ออกบทแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปในที่สุดอนี่ก็เป็นประวัติของท่านผู้นี้นะครับต่อไปหนึ่งร้อยแปดสิบห้าองนี้ชื่อว่าท่านวิมะละท่านวิมะละนั้นเป็นคนละองค์กับองค์ที่หกสิบสี่ที่ชื่อว่าวิมะละโกนทัญญะท่านวิมะละโกนทัญยะองค์ที่หกสิบสี่นั้นเป็นลูกชายของ นางอัมพาปาลีหญิงงามเมืองที่อยู่เมืองเวสรลีเป็นพระอรหันต์ไปก่อนไปก่อนแม่แต่ว่าท่านวิมลละองนี้เป็นคนเกิดในสกุลพราหม์ชาวเมืองพาราณสีก็เนื่องจากว่ามาคบค้ากับพระเถระรูปหนึ่งที่ชื่อว่าท่านสมมิตรเถระ คบไปคกมาก็เลยได้ศรัทธาแล้วก็บวชตามพระโสมิตรไปแล้วก็ท่านโสมิตรนั้นก็ได้ทำตัวเป็นกาลยนานมิตรคือคอยกระตุ้นให้ปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆในที่สุดท่านก็ได้ทำวิปัสนาด้วยความเอาใจใส่ของกรารยนานมิตรองค์นั้นเลยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปเพราะว่าคนบางคนเนี่ยจะ จะเริญในธรรมได้เพราะอาศัยแรงกระตุ้นจากบุคคลอื่นคนอย่างนี้มีเป็นอันมากทีเดียวก็วมีมากมีน้อยต่างกันเ อ, อท่านวิมลนั้นก็เป็นองค์หนึ่งได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปเพราะมีผู้กระตุน้นคือพระเพื่อนองค์ที่ได้กล่าวถึงเมื่อท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว อ, อท่านได้ให้โอววาด แก่พระเพื่อนคือเมื่อท่านเองได้ดีพระเพื่อนท่านก็ทําตัวเป็นเพื่อนที่ดีแก่บุคคลอื่นต่อไปโดยการกระตุน้นแล้วก็การกระตุ้นของท่านนั้นก็คือกระตุ้นให้ใคยันและคบเพื่อนดีๆอย่างที่ท่านบอกว่าท่านสอนเพื่อนของท่านนะ<ม>เพื่อนที่เป็นพระได้กันที่เรียกว่าเป็นพระที่เป็นพระรุ่นหลังโดยคุณธรรมของท่าน ว่าบุคคลปรารถนาความสุขอันแน่นอนอันนี้หมายถึงพระนิพพานพึงเว้นปาปัมมิรแล้วพึงกบหากะลยานมิตรและพึงตั้งอยู่ในโอวาทของกะยานมิรนั้นเต่าตาบอดเกาะขอนไม้เล็กๆจมอยู่ในห้วงน้ำใหญ่ชั้นใดกุลบุตรอาศัยคนเกลียดเกียดกร้านเป็นอยู่ย่อมจมลง ในสังสารวัตฉันนั้นเพราะฉะ น, นั้นบุคคลพึงเว้นคนเกียรติกรมีความเพียรเลวสามควรอยู่ร่วมกับบัณฑิตทั้งหลายผู้สงัดเป็นอริยะมีใจเด็ดเดี่ยวเพ่งฌานปลาโลกความเพียรเป็นนิสอันนี้ก็เป็นการสอนเพื่อนว่าให้คบคนดีโดยเฉพาะคนดีที่เป็นคนขยันอันนี้ก็เป็นการสอนตาม ล, ลักษณะเดิมของท่าน ที่ท่านได้ประโยชน์มาก็มาสอนต่ออย่างนี้จะเรียกว่าเป็นการทดแทนบุญคุณธรรมะอยู่ในตัวอุโมงคงท่านที่บอกว่าเหมือนเต่าตาบอดเกาอขอนไม้เล็กในสูก็จมเนี่ยเพราะว่าไอ้ขอนไม้เล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะทานน้าหนักเต่าได้ก็จมลงไปทั้งขอนทั้งเต่าฉันใดก็ฉันนั้นการที่เราเป็นคนมีความเพียร น, น้อยแล้วก็คบคนที่มีความขี้เกียจหรือมีความเพียร น, น้อยอย่างเราเนี่ย ก็เหมือนกับเราเป็นเต่าไปเก่อขอนไม้เล็กในที่สุดก็จะจมกันไปทั้งขอนที่เราก่อคือเพื่อนของเราที่เราครบแล้วก็เราด้วยก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ความเจริญในธรรมะท่านสอนหมายความอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของท่านหาติตะต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยแปดสิบห้าแปดิบกอ่าขอโทษเมื่อกี้ท่านวิมาระนะองค์ที่หนึ่งร้อยแปดิบหกนะเป็นองค์ต่อไป องนี้ชื่อว่าท่านนาคาสมานปรากฏว่าท่านเป็นเจ้าชายสักยะอีกองค์หนึ่งเหมือนกันเกิดในราชสกุลศักยะคือเป็นปยุรยาของพุทธเจ้าซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าญาติพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าชายมาบวชก็เยอะที่เป็นภิกษุณีอ่าเป็นนางสนมกำนันในเป็นญาติฝ่ายหญิงออกมาบวชเป็นปล้าหลานไปก็เยอะเมื่อเราพูดถึง ภิกษุณีจํานวนหลายองค์ที่พูดมาแล้วจึงเป็นนั้นว่าท่านนาคคสมานเนี่ยเป็นเจ้าชายสังฆราชพระองค์หนึ่งและที่ได้ศรัทธาและออกบทเนี่ยก็ในการครั้งเดียวกันกันกบองค์เมื่อเราพูดผ่านมาแล้วเมื่อแต่สักรู่นนี้นะครับคือม เ, ปปยยเมื่อพระเจ้าไปโปรดพระญาติเมื่อท่านได้ออกบทแล้วก็ที่แรกเนี่ยท่านทําหน้าที่เป็นพูทโตประทัดช่วงระยะหนึ่งก่อนที่จะแต่งตั้งท่านานนนะ ได้เกิดเหตุการณ์ในการเป็นนักบวชของท่านอยู่พอสมควรและเหตุการณ์นี้ก็ได้ทำให้ท่านได้หัเอามาเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุธรรมความว่าคือท่านเองนี่ไม่ใช่เป็นคนราคะจฤฤฤฤฤฤริตแล้วครับอเล่าว่าวันหนึ่งท่านออกบินธบาตเดินไปตามถนนในระหว่างบินธบัตินั้นก็มีหญิงนักฟ้อนนักเต้นทั้งฟ้อนทั้งร้องเสร็จ มาฟ้อนรําอยู่กลางถนนไม่ใช่คนบ้าก็เข้าใจว่าสมัยก่อนในบรรยากาศ อ, อในทางมโหรสพเนี่ยคงไม่มีโรงมโหรสพเป็นที่เป็นทางเหมือนอย่างเดียวนี้นะครับก็าอาจจะไปตั้งวงกันเรื่องนี้นผมอ่านแล้วผมก็ทําภาพบอกว่างั้นนะไปตั้งวงกันตามข้างถนนแล้วก็มาดูกันเป็นลักษณะกลางแปลง แล้วก็เวลาพวกนี้เขาจะสมากินทางการฟ้อนรำกับร้องเนี่ยเขาก็จะต้องเริ่มแบบไอ้พวกมาตั้งวงกลมกลางสนามหลวงแหละครับมันก็ต้องมาเริ่มต้นอลองรำทาเพลงเกาบังเอิญมาเริ่มตอนที่พระท่านออกบินสบัดท่านก็ไปเห็นข้าวพอดีซึ่งปกติเนี่ยการฟ้อนรําขับร้องเป็นสิ่งที่พระดูไม่ได้แต่ว่าเมื่อพระท่านไม่ได้ตั้งใจจะไปดูเขามาแสดงให้ดู ขวางหน้าอยู่อย่างนี้และพระไปเห็นเข้าอากรณีอย่างนี้พระไม่อามบัติแต่ว่าการไปเห็นโดยบังเอิญแล้วก็ไม่เป็นข้อผิดทางอาบัติเพราะไม่ได้พยายามเองไม่ใช่ไปทำให้ผิดอาบัติภายหลังคือถ้าไปตั้งใจดูเองภายหลังก็กลายเป็นอาบัติไปอีกได้เหมือนกันอันนี้พระองค์นี้ท่านเป็นพระมุ่งดีในทางปฏิบัติเมื่อท่านเห็นอย่างนี้ท่านก็ กำหนดใจควบคุมตัวเองจนกระทั่งเป็นเหตุทำให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอราหันต์ต่อหน้าคือถ้าพูดเป็นนิพนอย่างนี้ก็เรียกว่าบรรลุเป็นพระราหลหันในโรงละครคล้ายๆอย่างนั้นเพราะว่าท่านตั้งใจดีกำหนดหักเอามาเป็นประโยชน์แ ก, ะกะ่กรรมฐานเสียอย่างที่ท่านได้กล่าวว่า เราเดินเข้าไปในบินไปบินทบาทในพระนครได้เห็นหญิงฟ้อนรำคนหนึ่งตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องอาพร น, นุ่งห่มผ้าสวยงามทัดทรงดอกไม้ลูบไล้ด้วยกระเจะจันทฟ้อนรำอยู่ในวงดนตรีที่ถนนหลวงท่ามกลางพระนครเป็นดุดบ่วงแห่งมัจจุราชอันรรมชาติมาดักไว้อันนี้เป็นความเป็นความคิดของท่านนะ คือเมื่อไปเห็นภาพอย่างนี้ท่านก็รู้นี่เป็นบ่วงมานบ่วงบ่วงแห่งความตายบ่วงแห่งมัจุมานในนี้จะเรียกว่า บ, บ่วงมัจุมาเพราะว่าถ้าเรายังไปติดไปสนุกกับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่พ้นจากความตายเข้านิพพานไม่ได้นะเป็นเรื่องออารมณ์รือเป็นเรื่องความคิดเหตุผลของผู้ที่มุ่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นการกระทําไว้ในใจโดยบันแยบคายจึงบังเกิดขึ้นแก่เรา อาทธีนวะโทษปรากฏแก่เราความเบื่อหน่ายก็ตั้งลงมั่นลำดับนั้นจิตของเราก็หลุดพ้นจากสรารพกิเลสไอตัวนี้เป็นพระหลานเลยครับขอท่านจงดูความที่แห่งธรรมเป็นธรรมดีเลิศเราได้บรรลุวิชาสามได้ทากิจพระพุทธศาสนาสำเร็จแล้วอ่อนี่เป็นตัวอย่างว่า เป็นอรหันต์ในขณะบินระบาดแล้วก็เป็นอรหันต์ในขณะตากำลังจับภาพคนสแสดงหมอลรศบให้ดูอยู่เดี๋ยวนั้นตั้งมรดิการเป็นตรงนี้นะ่ะถอดเอามาได้ความว่าการที่ท่านเห็นอย่างนี้ท่านรู้ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดโทษทางศีลของที่เรียกว่าเป็นเสี้ยนหนามของพรมมัดจและถ้าเรายัง ถอนเสียนหนามอันนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้เบื้องต้นของอาธิพรมอาจารย์พระศรีนี่เป็นอาธิพรมอาจารย์ท่านก็เลยกําหนดให้เห็นโทษของของการพลังขับร้องว่านี่เป็นสิ่งมีโทษแล้วก็กําหนดลึกเข้ามาสู่ความเป็นวิปัสสนากรรมฐานว่าอันนี้ท่นานไขเจรไนเอาไว้ในในคำภีอัตตกถาแจงเลยว่า เวลาท่านกาหนดกําหนดยังไงที่ว่าโยนิโสท่านก็กำหนดว่าไม่มีนักฟ้อนไม่มีผู้หญิงเป็นแต่นามรูปที่สําเร็จจากจิตอันวิจิตอ่คําว่าสําเร็จจากจิตวิจิตก็คือจิตที่จิตของคนที่อันนี้เวลาเราดูการหมอระศพเนี่ยเวลาผมดูผมก็จะต้องดูอันนี้ด้วยเสมอเป็นเป็นธรรมดา คือถ้าเป็นคนธรรมดาเขาดูหมอสุพเขาจะดูเป็นเป็นดูเอาเป็นเหมือนความจริงเป็นฉากฉากนอกเนี่ยนะแล้วก็ดูเป็นมโนภาพเหมือนเป็นจริงแต่เวลาเราดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนลามขับร้องร้อ ง, อ, ง อ, งองเพลงหมอลอง ม, ง ม, งมงลำอะไรก็ตามที่เห็นทางทางทีวีหรือดูละครละครอะไรก็ตามเราจะดูแบบเจาะมันจะเป็นอัตโนมัติ ดูแบบเจาะเออนี่นะจิตทำไมเขาถึงฟ้อนลำได้สลัสลวยล้องได้สลับสลวยจิตมันเก็บสั่งสมอะไรยังไงและความรู้สึกเขาเป็นยังไงแล้วเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรแล้วก็ดูเจาะลึกลวงลึกเข้าไปในทางลึกในแง่ของเหตุปัจจัยเท่ากับว่าเราเนี่ยแทนที่เราจะดูออกไปหามโนภาพที่เราสร้างขึ้นอย่างคนที่ดูหมอแะพธรรมดา เราจะดูเจาะเข้าไปถึงไอ้เบื้องหลังกองกระแสหเหตุปัจจัยแล้วมันก็เลยกลายเป็นเป น, เ ป, นเป็นความจะว่าเป็นความสนุกก็เป็นสนุกอีกแบบหนึ่งผมดูที่ไรก็ดูอย่างนี้ดูกทีดูแบบนี้เป็นทุกครั้งที่ที่เห็นการหมอรสศพหรือดูพอประโยชน์ะอะไรก็ตามแต่ว่าไอเราดูอย่างนี้เราไม่ได้ดูเข้าไปถึงวิปัสนา แต่ท่านผู้นี้นะ่ะท่านดูเข้าไปถึงความเป็นวิปัสนาว่ายกไม้ยกมือจิตเจตะาะรูปมันบังคับรูปอย่างไรและจิตแถวที่ฉันใช้เป็นถนโนวายยวายโยธาดอวิจิตยังการรชกายให้เป็นไปแล้วก็มันก็ไม่เทียงมันเกิดดับสืบต่อกันจิตวิจิตเนี่ยคือวิจิตด้วยมโนภาพอันสนุกสนานด้วยมโนภาพการทางการหมอนรศเนี่ยก็จะวิจิตว่าเราไปดูคนเต้นลัมก็เหมือนกัน แต่ผมไปดูคนเต้นหัำผมก็ดูลักษณะย้อนลึกแล้วก็มาดูพฤติกรรมย้อนลึกแล้วก็ดูมโนภาพของเขาแล้วก็ดูความรู้สึกตอบรับของคนดูดูทั้งย้อนหน้าย้อนหลังอย่างเราเป็นคนกลางมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วจะว่าสนุกไม่สนุกยังไงมันก็มันก็เป็นสนุกอีกแบบหนึ่งที่มันก็เป็นอย่างนี้ทุกสิดูหนังพงหนังผีเราก็ไม่ได้กลัวแต่เราก็ดู เออเขาเขามีมนโนภาพยังไงคนดูแล้วก็ดูแล้วได้ความรู้สึกอย่างไรเพราะอะไรเป็นในแง่เหตุปัจจัยอย่างนี้แต่นี่ไม่ไม่ถึงขั้นวิปัสนาเหมือนอย่างพระท่านน่ะแต่ก็เชื่อ ว, ว่าพระที่ท่านดูเข้าไปหาวิปัสนาเนี่ยท่านต้องดูลักษณะล้วงลึกแล้วก็ดูในส่วนหนึ่งก็คือดูในทางผลของคนดูแต่ว่าท่านมองผลของผลในทางลึกด้วย ท่านจึงไม่สนุกอย่างคนอื่นก็สนุกเลยเบื่อนี่ยท่านบอกว่าเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เบื่อหน่ายคลายคลายกำหนัดในน้มในลูกเห็นความเกิดดับที่คนอื่นเข้ามาแสดงให้ดูเลยบรรลุเป็นพระอราหารันทรวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นโดยลำดับท่านจ ะ, จะแจกแจงไว้ด้วยนะแล้วก็บรรลุเป็นพระอราหันต์ไปเลยแต่ว่าทั้งนี้ไม่ได้เป็นการบอกว่า การที่บุคคลจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ต้องไปสร้างเงื่อนไขเพื่อที่จะไปบรรลุอย่างนี้ด้วยวิธีการอย่างนี้แต่ถ้าเป็นสถานการณ์ที่มันไปประจวบเข้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องเลี่ยงด้วยสติเลี่ยงด้วยมานสิการของเราเองนี่ท่านนาคาสมานพระอรหันต์บรรลุที่กลางถนน ต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดองค์ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนั้นคือท่านพระคุท่านพระคุเนี่ยเราได้ยินชื่อเราก็พอจะนึกอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะบางคนก็จะนึกได้ว่าท่านเป็นหนึ่งในเจ้าชายทั้งหกที่ออกจากบวชออกบวทจากสักยศสกุลซึ่งก็ประกอบด้วยท่านอนุรุษท่านกิมพิละท่า น, นานันทะ a ปติยะเทวทัต พคุและก็ท่านอุบาลีออกบวชในคณะเดียวกันเอก็เมื่อออกบวชที่ไหนยังไงเราพูดกันมาบ่อยแล้วเมื่อท่านมาบวชท่านก็ไปอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้นบ้างก็มักจะไปอยู่ด้วยกันนะครับบางครั้งก็แยกกันเหลืออยู่ด้วยกันสองรูสามรูปก็มีในตอนหลังๆต่อมาแต่ว่าครั้งแรกๆก็จะยังอยู่ด้วยกันเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนทีนี้องค์นี้นะท่านมีกิเลสลบกวนอย่างหนัก ท่านหนึ่งนี่ก็ผิดกับองค์ที่ได้พูดมาแล้วก่อนหน้านี้ที่ว่าราคะแรงแต่องค์นี้ความง่วงเหงาหาวนอนแรงในสังเกตว่าเรื่องกิเลสคือความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยหลายท่านมีปัญหาแล้วว่าที่แรงอย่างองคนี้นะ่ะเราพบมาแล้วเนี่ยสามองค์อย่างจะต้องพูดอีกองคหนึ่งคือ เป็นคนที่มีถีนะมิทธะแรงมากในวันหนึ่งเนี่ยท่านนั่งกรรมฐานอยู่ก็ถูกความม่วงครอบงำท่านก็คิดว่าเราจะบรรเทาความม่วงด้วยประการใดวิธีการบรรเทาความม่วงอย่างหนึ่งคือการเดินจงใหมไอ้คำคำว่าทิ้งกรรมฐานเนี่ยบางทีไปสวดสายายพระสูตรที่ตัวเองเรื่มใส หรือไปพิจารณาเนื้อความนัรสศูนติตัวเองเลื่อมใสเนีย่ยเรียกว่าทิ้งกรรมฐานแต่ไม่ใช่ทิ้งอย่างอย่างผิดนะเ้าเรียกว่าหยุดทำกรรมฐานเพื่อที่จะบริหารจิตใหม่แล้วค่อยกลับมาทำใหม่แต่วิธีการเดินจงกรมเนี่ยไม่ใช่เป็นการแก้ความง่วงด้วยการหยุดทำกรรมฐานเพียงแต่ว่าหยุดในยิรยาบทหนึ่งใช้ยิรยาบทอื่นมาเป็นวิธีทำเป็นหนทางทากรรมฐาน ก็เราก็จะได้หนึ่งไม่เสียก็ไม่เสียการทำกรรมฐานไม่เสียเวลาการทางรรมฐานแล้วก็ได้เอาชนะกิเลสคือความง่วงด้วยท่านเพีงออกจากกุติขึ้นไปบนทางเดินในสมัยก่อนถ้าจะมีทางจงกรมเวลาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกก็ตามเนี่ยยังมีกุติแล้วก็มีทางจงกรมทางจงกรมใบางทีโยก็มาทําให้มาเกลี่ยให้บางทีก็ก็ท่านก็ใช้วิธีเดินอ่ะ เดินให้เป็นทาง เ, าเดินแหวกทางก็มักจะเป็นอย่างนี้ทุกองค์ไปพูดเลยว่าทุกองไปทำไมนะมีที่นั่งแล้วก็มีที่เดินเพราะว่าพระนักปฏิบัติก็อยู่ด้วยสองวิทยาบทนี้เท่านั้นนะเป็นอย่างหลักท่านเมื่อออกมาสู่ที่จงกรมเนี่ยประวัติเล่าว่าพอขึ้นสู่ที่จงกรม ก็ล้มทันทีไม่ได้ล้มเพราะหน้ามืดแต่คล้ายๆหน้ามืดล้มเพราะอะไรเลยมาล้มเพราะง่วงล้มเพราะง่วงนี่พอล้มเนี่ยคือเวลาคนอทํากรรมฐานพรมันมีอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่สองสองประเภทเนีประเภทหนึ่งคือแพ้ประเภทหนึ่งคือชนะเลยอันนี้อยู่ที่ การมัธยการของบุคคลแล้วก็เงื่อนไขาทางอุปนิสัยใจของบุคคลท่านผู้นี้นะพอลม้มแล้วท่านกลับกลายเป็นผู้ลุกยืนได้โดยสนิทล้มเพราะความง่วงท่านก็ใช้ความล้มนั่นแหละเป็นเหตุทำลายความง่วงคือเราเนึกว่าคนเราในเวลาทำอะไรผิดพลาด บางคนนะใช้ความผิดพลาดนะเป็นครูสอนตัวแล้วก็เลยไม่ผิดพลาดอีกเลยผิดพลาดอย่างแรงแล้วเลยไม่ผิดพลาดอีกเลยผิดพลาดเพราะกิเลสนี่ก็เหมือนกันท่านบอกว่าท่านเลยใช้ความง่วงที่ทำให้ท่านล้มเนี่ยเหมือนกับว่าาเป็นเครื่องกระตุ้นทำให้ท่านหักความคิดมากลายเป็นบรรเทาระ ง, งับความง่วงนั้นได้แล้วก็เลยทาวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อจากนั้นเลย นี่ก็คล้ายกับพระอาหานองค์อื่นที่เราพูดมาแล้วก็คือถูกราคะครอบงำหรือไปเห็นภาพที่เป็นวิสภาคะอย่างไปเห็นการแสดงฟ้อนลำบนถนนก็ได้หักเอามาเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุวิปัสสนากรรมฐานนี่ก็เลยเลยลุกขึ้นมาคราวนี้พอลุกขึ้นมาแล้วไม่ง่วงอีกเลยหลังจากนั้น พอพระอาหารหันต์เมื่อทำลายกิเลสแล้วถีนามิทะพ้นไปจากสันดานเลยร้อยเปอร์เซ็นนี่เรียกว่าง่วงจนเป็นพระอาหารหันต์เมื่อท่านบรร ล, ลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปกล่าวแสดงความชื่นชมถึงในกุติว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่ เอาไปถามว่าท่านเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่หรือท่านก็กราบทูลธรรมะของท่านให้ฟังพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโมทนาสาธุการแก่ท่านลองฟังคำเล่าท่านหน่อยก็ได้ในท่านเล่าเป็นลักษณะคำต่อคำว่าข้าพระองค์ถูกความง่วงเหงาหานอนครอบงำได้ออกจากวิหารขึ้นสู่ที่จงกรมล้มลงที่แผ่นดิน ณที่ไม่ไกลบันไดจงกลมนั้นนั่นเองบันไดคือบันไดที่ลงมาจากอากุติลงมาก็ถึงที่จงกลมข้าพระองค์รูปเนื้อรูปตัวอันนี้เป็นวิธีบรรเทาความง่วงอย่างหนึ่งคงจะลูกก็ได้บีบก็ได้นูก็ได้แล้วขึ้นสู่ที่จงกลมอีกเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว ในภายในตั้งมั่นแล้วมวันก็คราวนี้จิตสดใสมั่นคงเข้มแข็งไม่เลื่อนลอยเหมือนในขณะที่ง่วงเดินจงกรมอยู่แต่นั้นกระทำไว้ในใจโดยอุบายแยบคายตรงนี้คือหมายถึงวิปัสสนากรรมฐานเบ mm. ื้องต้นของวิปัสสนากรรมฐาน mm. เรียกว่าโยนิโสมนสิกานได้บังเกิดข้าพระ อ, องค์ได้บังเกิดอาทีนวะ อาทินวะเป็นการประกาศอารมณ์ของวิปัสนาเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายก็ตั้งลงมั่นอ อ, อันนี้เป็นการกล่าวถึงอารมณ์วิปัสนาลำดับนั้นจิตของข้าพระองค์ก็หลุดพ้นจากสัพพกิเลสขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูความที่ทําเป็นธรรมดีอันเลิศข้าพระองค์ได้บรรลุวิชาสาม ทำกิจในพระพุทธศาสนาสําเร็จแหละเป็นการกราบทูลถวายพระพุทธเจ้าดังกรณีนี้นะเป็นกรณีว่าผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์แล้วบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปรับคํำพยากรณ์จากอารหันต์องค์ น, นั้นเองอรหันต์หลายองค์เมื่อบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วไปกราบทูลพยากรณ์กับพระองค์ในภายหลังก็มีเป็นหลายแบบครับแต่ว่าองค์นี้นะ่ะ ก็ไม่ใช่ใครอื่นใครลก็เป็นญาติของพระองค์นั่นเองต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดองค์นี้ชื่อว่าสพัพยะสะพัพยะนี่แปลว่าผู้เกิดในสภาและคำว่าผู้เกิดในสภาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสภาคือสันถารคานซึ่งเป็นสถานที่สภาในบางทีเป็นสภาข้างถนนก็มีแต่เป็นสภาของพวก นักบวชพวกปริพาชกนั้นมักเป็นสภาข้างถนนคือมีการประชุมรวมกลุ่มกันขึ้นมเมื่อใดเมื่อนั้นก็เป็นสภาขึ้นท่านส พ, พิยะนี้เป็นลูกของปริพาชกแม่เนี่ยเป็นที่ดากษัตย์ เป็นกษัตริย์ที่ไหนเชื้อสายนะเข้าใจว่าจะเป็นเชื้อสายเวสาลีพอจะเดินเติบโตขึ้นพ่อแม่เนี่ยเริ่มใสปริพาชก ค, คนหนึ่งก็มอบลูกสาวให้ไปเรียนไปเรียนออวิชาปริพาชกอะครับโดยมากก็เป็นวิชาออโตตอบในทางหลักลักทธิคือในอินเดียสมัยก่อนเนี่ย บางทีเขามีการยกลูกสาวให้ลักษณะยกให้เป็นภรรยาเขาเรียกว่าพรมวิวาหะพรมวิวาหะคือยกให้กับนักบวชพวกใดพวกหนึ่งที่เขาพ่อแม่เลื่อมใสโดยที่ไม่ไม่ได้เรียกร้องค่าสินสอดอะไรเป็นวิวาหะแบบหนึ่งเรียกสมวมยาวิวาหะแต่นี่ไม่ได้ยกให้ไปเป็นภรรยายกให้ไปเป็นลูกศิษย์ เลียนรับที่ได้ความเลื่อมใสที่พี่พ่อแม่มีอยู่กับปริพาโชกนั้นนี่ครั้นพอไปอยู่ด้วยกันแล้วปรากฏว่าปริปริพาชคคนนั้นทําผิดจนกระทั่งนางตั้งครรภ์กับปริพาโชคคนนั้นแล้วก็ได้ลูกมาคนหนึ่งอ่ะก็คือส a พ y ะเนี่ยที่แม่ตั้งชื่อให้สพ p ยะเนี่ยเพราะว่าตอนคลอดเนี่ยไปคลอดในระหว่างทางในสภาระหว่างทางคำว่าสภาระหว่างทางก็คือ เนื่องจากว่าพวกปริพชกษ์นี่เขาเป็นพวกนักโตตอบไปไหนก็จะมีการรวมคนโตวาทะกันคนไม่ต้องไปไปร้องเรียกที่ไหนแล้วครับพอตั้งวงสนทนาหลักลัทธิขึ้นมาถ้าเป็นนักสำคัญคนก็เยอะตอนนั้นก็มีการประชุมโตวาทะกันขึ้นซึ่งไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าระหว่างใครกับใครอย่างไรนะฮะและนางซึ่ง คันกาลังแก่เขไปคลอดลูกระหว่างนั้นจึงได้ตั้งชื่อว่าท่านสัพิยะเป็นชื่อพระองค์นี้ถ้าพูดถึงในพระไตรปิฎกแล้วเป็นพระที่มีชื่อเสียงในพระสูตรนะมีบทบาทในพระสูตรอยู่ถึงกับเป็นชื่อสูตรที่ชื่อว่าสาัพยสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกก็มีแล้วซึ่งผมจะไม่เอามาเล่าให้ยาวในทีนี้ทีนี้เมื่อโตขึ้นเนี่ย ก็ได้บวชเป็นปริพาชกตามแม่ไปด้วยแม่ก็สอนวิชาของพวกปริพาชกในเรื่องต่างๆรวมทั้งวิชาการโตอตอบวาทะต่างๆให้ด้วยจนกระทั่งโตขึ้นก็เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถดีตั้งสำนักสอนลัทธิแก่พวกราชกุมารอยู่ที่บริเวณประตูเมืองราชครึใกล้ๆแค่ไหนไม่ทราบคงจะอยู่ข้างนอก ปุโรชุมังก็ไปศึกษากับสพิยะปริภาชกนี่หลายคนนะแล้วก็การที่ไปอยู่กับท่านจาริกไปกับท่านนี่ก็มีมากแล้วได้ไปได้พบพระพุทธเจ้าก็มีบางองค์นะซึ่งจะได้พูดต่อไปก็เป็นนั้นว่าท่านก็ได้สั่งได้สอนอพวกราชกุมารได้รับความรู้มาเป็นนั้นมากตอนนี้ท่านปลิ ปาชกองค์นี้ที่ได้หันกลับมาสนใจพระพุทธศาสนานั้นก็เพราะว่ า, าคือในพระสูตรเนี่ยได้บอกว่ามีสุทาวาสพลมตนหนึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าเหมือนกับอีกลหลายๆคนที่เทวดาเนี่ยเป็นผู้พาเข้าหาพระพุทธเจา้าท่านเองก็เป็นองค์หนึ่งที่เทวดาพาหาพระพุทธเจา้า สุท้าว่าตาพรมนี่เป็นเพื่อนเก่าก็ลงมาลงมาสนทนาหลักลัติแล้วก็แต่งปัญหาให้แต่งปัญหาในหมายปัญหาที่หาคำตอบได้ยากแล้วก็แนะนําคนที่จะตอบปัญหาได้ว่าคือพระพุทธเจา้าให้ไปถามก็เอาปัญหาที่เทวดาแต่งให้ไปถามต่อพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ตอบปัญหาต่างๆเหล่านั้น จนกระทั่งสัพยะเนี่ยเลื่อมใสเลื่อมใสถึงขนาดขอบบวชเลยความจริงก็บวชเป็นปริพายยกอยู่แล้วนะในบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาอันนี้เมื่อบวชมาแล้วก็ได้ทำวิปัสสนากรรมฐานบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปไง่ายๆทรับไม่อยากเมื่อบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ไปแล้วท่านก็มีบทบาทเยอะตอนที่พระทะเลาะ ก, กันที่เมือง โกสัมพีท่านก็ไปเที่ยวเทศเที่ยวชี้แจงแล้วก็เหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีของพระเทวทัตทำลายสงฆ์ท่านก็ไปเทศไปอะไรมีส่วนเกี่ยวกองอยู่ด้วยอันนี้ที่น่าจะฟังกนอีนิดนึงก็คือว่าท่านสภิยะเนี่ยเป็นสมาชิกคนหนึ่งในห้าคนของพระเถระองค์สำคัญใน สมัยพระพุทธเจ้าที่มีลักษณะชีวิตที่คล้ายๆกันเพราะว่าได้ทำกรรมเกี่ยวข้องกันมาอันนี้เราอาจจะลืมชื่อท่านไปนะครับคือถ้าเอ่ยถึงท่านปุ ก, กุฏสาติเรามักจะจำได้ว่าท่านเป็นใครเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของท่านแล้วก็เอ่ยชื่อท่านทัพพะมละบุตรเราก็รู้จักประวัติท่านเอ่ยชื่อท่านพายาธารุจริยะ เราก็รู้จักประวัติท่านได้ยินชื่อท่านบ่อยเอยชื่อท่านกุมารลกัสป่าก็ได้ยินท่านพระทัพพระมละบท่านปกุฏสาติท่านพายยะธารุจริยาท่านกุมารลกัสป่าก็ดีทั้งหมดเหล่านี้เป็นคณะบุคคลที่เคยทำกรรมร่วมกันมาโดยเฉพาะในสมัยพระพุทธกัศสปถ้าหากว่าผมย้อนเหตุการณ์ไปท่านจะได้ นึกออกว่าเสยไดยินมาแล้วคือในตอนนั้นเนี่ยท่านทั้งห้านี้ความจริงมีหกอีกองคหนึ่งแล้วก็ความจริงมีเจ็ดบวกไปอีกองหนึ่งด้วยแต่องค์นี้มาเอิงเข้านิพพานไปก่อนอีกองคหนึ่งไปเกิดเป็นสุตาวาสประพฤติพรหมจรรย์ในสมัยที่พระพุทธศาสนากําลังเริ่มเสื่อมก็คิดว่าการจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ทําที่สุดแห่งพรหมจรรย์นะั้นเป็นของยากเพราะว่าศาสนาเสื่อมถอย ท่านก็พากันขึ้นไปบนยอดเขาอธิษฐานว่าถ้าไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์จะไม่ลงจากเขาจะขอตายแล้วผลก็ออกมาว่าพระเทรลองค์หนึ่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็นําบินบาบมาให้องค์ที่เหลือท่านไม่ยอมรับท่านถือว่าผิดสัญญาท่านจะต้องบรรลุแล้วไปบินบาบเองหลังจากนั้นอีกองค์หนึ่งบรรลุเป็นอนาคามีไปเกิดในสุทาวาตระมองค์นี้แหละครับที่เป็นองค์ที่มาเที่ยวสงเคราะห์เพื่อนที่หลัง ที่เป็นองค์เป็นกรมที่ไปบอกพระพาหิยะให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจากอสุนาปรันตะชนบทที่เมืองสุปรารกะแล้วมาพอพระพุทธเจ้าจนกทั่งได้เป็นพระอรหนันในระหว่างบินาบาตแล้วก็มาบอกท่านด้วยส่วนเอที่เหลือนี่ไม่ได้มาบอกเพราะว่าบังเอิญมาได้เองรู้อยู่แล้วคือ ห้าองค์ที่เหลือตายบนเขาไม่ได้บรรลุเป็นอะไรเลยแล้วก็ได้เวียนว่ายตายเกิดมาพุทธันดรหนึ่งแล้วก็มาเกิดในสมยัยพระพุทธเจ้าของเราห้าองค์ที่เหลือคือใครบ้างท่านทัพพระมาราบุตรมาเกิดเป็นกษัตริย์ลิเชวีที่แคว้นมัลละเป็นพวกมัลละกษัตริย์อ่าอีกองค์หนึ่งคือท่านปกุสาติไปเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินครอง เมืองตักกัติลาที่อยู่ที่แคว้นกันทานละเมืองนี้นะ่ะไม่ใช่เมืองเล็กๆเป็นเมืองเรียกว่าเป็นเมืองวิชาการเป็นเมืองไม้เวลัยแล้วก็พระเจ้าปกุศติสละราชสมบัติจากเมืองที่เศรษฐกิจดีความรู้ดีผู้คนให้ความยกย่องคือเมืองสักกัติลาเนี่ยเป็นเรื่องไม่ใช่เล็กน้อยแต่ทั้งกัตริยราชสมบัติแล้วก็เดินทางลงมาสู่เมืองราชฤกษ์เพื่อมาเฝ้าพุทธเจ้าหาพุทธเจ้าไ้เจอแล้วก็ได้มา บรรุเป็นพระอนาคามีถูกควายขี่ตายครับที่มาพักอยู่ที่บ้านลงช่างหมออีกองค์หนึ่งคือท่านพายาธารุจริยาองค์นี้เป็นพระอราหันต์ถูกควายขิด ต, ตายเหมือนกันท่านทัพภาพมัลระบุตรนั้นไม่ได้โดนอะไรขี่ตายมโนาภาพเองอายุยืนบรรุเป็นพระอราหันต์เร็วด้วยอีกองค์หนึ่งคือท่านกุ ม, มารากัสปะอันนี้แปะมีแม่เป็นบิกษุณี แล้วก็อีกองหนึ่งคือท่านสัพพิยะนี่แหละเ อ, อเราจะสังเกตว่าการสร้างกรรมร่วมกันมาเนี่ยมีอยู่บางองค์ในกลุ่มแล้วก็มีบางองค์อยู่นอกกลุ่มด้วยที่ทําบาปร่วมกันมาแต่ท่านสัพพิยะไม่ได้ไปทําบาปอย่างนั้นร่วมคือท่านสัพพิยะเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าหญิงโสเบนีร่วมกับ พระพาหิยะทารุจริยะกับท่านปกุฏสาติแล้วก็ไม่ได้ไปทําร่วมกับอ ส, สุปปุษากรุติแล้วก็โจรทำพถาธีอีกคนนะนี่เขาเรียกว่าเป็นสายโยงใหญ่นอกกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มนี้นะ่ะสององค์ท่านพาหิยะกับท่านปกุตสาติก็ทํากับกลุ่มนี้มาด้วยบารมีอย่างแล้วก็ไปทํากับอีกสามองค์นอกกลุ่มเป็นบาป เลยทำให้ท่านปกุาติกับท่านทายะเนี่ยโดนควายกิด ต, ตายเหมือนกับอีกสามองค์นอกกลุ่มแต่นั่นก็ถือเป็นกลุ่มกรรมกลุ่มเดียวกันแต่ทั้งห้าเนี่ยเขาเรียกว่าทำกรรมมาในส่วนของการทำสัจจะทิ่ฐานบา ร, รมีอย่างอุกฤษถึงแม้ว่าจะตายเดียกันแต่ก็เป็นบา ร, รมีติดตัวมาเลยได้มาบรรลุแต่ว่าในห้าองค์เนี่ย บรร ล, ลุเป็นพระอาหารหันต์ไปใ น, ในเฉพาะในชาตินี้นะสี่องค์ครับท่านปุกุสตินั้นเป็นได้แค่อาาคามีแล้วไปเกิดในสุทาวานก็เป็นนั้นว่าท่านสภิยะได้บรร ล, ลุเป็นพระอาหารหันต์ไปด้วยวิถีชีวิตประวัติชีวิตอย่างนี้ต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเอแปดสิบเก้า แปสิเก้านะท่านนันทกะท่านนันทกะนี่เราเคยเอ่ยมาถึงมามาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อพูดถึงพระสงฆ์เอตทักกะท่านนันทกะนั้นเป็นเอตทักกะทางด้านโอวาทแก่พิกษุนีเป็นเลิศในทางนี้สอนพิกษุนีเก่งอสําหรับประวัติอดีตชาติท่านเนี่ยท่านทําบุญด้วยเสียงนะทําอย่างไรเดี๋ยวลองฟังดูทีหลัง เสียงในถือเป็นกระบวนการอันหนึ่งของการสอนธรรมะแต่ท่านอนตะกานั้นเป็นชาวเมืองสาวัตถีเป็นชาวบ้านธรรมดาเงี้ยอยู่ที่เมืองสาวัตถีอได้พบพระพุทธเจ้าที่พระเจตวันด้วยการไปฟังธรรมและถึงเลื่อมใสบวชและเจริญวิวัสนาเป็นพระหลานไปอย่าง เรียบร้อยไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเอ่อเพื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ทีแรกนี่ก็เสวยความสุขจากอริยมรรคอริยผลของท่านอย่างเป็นธรรมดาของพระอรหันต์ทั่วไปนะความสุขจากความไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าตรัสบอกให้สอนธรรมะก็คือให้อวาทแก่พิคุณี เพราว่าท่านรู้ว่าท่านอนตะกะนั้นมีบารมีมาตา น, นี้และเมื่อได้ทํางานท่านจะประธานตําแหน่งเอตตะทกะให้ก็ให้อวาตแก่พิกษุณีจํานวนมากๆเป็นเนินร้อยเนี่ยก็สามารถทําให้ภิษุนีที่ได้รับอวาตนั้นบรรลุเป็นพระอหรหันต์ได้ในวาตกลาวเดียวซึ่งหมายก็ว่าบางองค์ก็อาจจะบรรลุในที่ฟังธรรมบางองค์ก็อาจจะฟังคําแนะนําวิธีปฏิบัติธรรมครั้งเดียวไปปฏิบัติบรรลุได้เลยเหมือนกับ อพระเทระองค์หนึ่งที่เป็นผู้เลิศในทางให้อวาตแกวิปสุนี่เป็นความสามารถอันวิเศษของท่านในการให้อวัโอวาตในหมายถึงการสอนในเชิงวิธีปฏิบัติธรรมะเรียกว่าให้อวาตคือสอนมุ่งในในส่วนของการปฏิบัติที่กระบวนการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่งเล่าวิธีการ การทําใจการวางใจทุกอย่างที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติเรียกว่าการให้โ อ, อวาตคราว น, นี้เมื่อท่านเป็นอหรหันต์ดำเนินชีวิตอยู่เป็นปกติเนี่ยวันหนึ่งท่านออกมาบินธบัติก็มาเจอเอาภรรยาเก่าก็ไม่ได้บวชภรรยาเก่าเห็นหน้าท่านเข้าก็าหัวล็อกเห็นฟันสามสิบสองซี่ท่านก็เลยแสดงธรรมโปรโด แก่ภรรยาที่บอกว่าหัวเราะนี่หัวเราะอย่างขาดการควบคุมสติจะคิดอย่างไรในตำลามัไม่ได้บอกเจะหัวเราะดีใจหรือหัวเราะช้ำใจยังงก็ไม่ทราบพังก็เลยแสดงธรรมโปรดให้ท่านนันทกะนี่ยได้เคยทําบุญด้วยเสียงการทําบุญด้วยเสียงนั้นมีหลายวิธี เ, เสียงการใช้เสียงทําบุญเนี่ย อาจจะทําใช้เสียงทําบุญในในส่วนของเป็นธรรมเทศนาใหม่ก็ได้ก็เป็นเสียงทําบุญการเช่นการสร้างเครื่องขยายเสียงการสร้างเทปการบริจาคเทปอะไรก็แล้วแต่นะนี่ถือเป็นเรื่องเสียงที่อยู่ในข่ายของธรรมเทศนาหรือเสียงที่อยู่ในข่ายของ ของวยยาวจจะส่งเสียงบอกบําเพ็ญประโยชน์ในการชี้แนะบอกกล่าวชี้ทิชีทางนี้นะเป็นเป็นวยยาว จ, จะแล้วก็เสียงที่ออกมาในรูปของอัจญญาณก็ได้อัิญญาณหมายถึงการประพฤตินอมน่อมอย่างเช่นส่งเสียงทําบุญหรื อ, อส่งเสียงสวดมนต์กรนีของท่านเนี่ยเล่าว่าเมื่อสมัยที่พระพุทธ พระเจ้าองค์หนึ่งมีพระนามว่ากกคูสันธะก็คือพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในโลกนี้โลกใบนี้นะซึ่งมีกกคูสันธาโกนากมะนะกัสปะองค์แรกของโลกนี้กกคูสันธะท่านเองได้เสวยกำเนิดเกิดเป็นนกกาเรเวกเนื่องจากว่าท่านเองได้สร้างสมบา ร, รมีมากระตางพระทั้งเจ้า กับพระพุทธเจ้าเนี่มาเยอะแม่มาเกิดเป็นเดรัจฉานก็มีความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาได้โดยไม่ต้องมีใครบอกเมื่อได้มาพบพระพุทธเจ้า น, นกตัวนี้ก็ได้ทำความเคารพนอบน้อมด้วยการประทักศิลไม่ได้บอกว่าบินประทักศิลหรือเดินประทักศิลแล้วก็ส่งเสียงไพเลาะทำความเคารพนอบน้อมสะดุดีไปตามภาษาหนก นี่เป็นบุญครั้งใหญ่ที่นกจะพึงทําได้กับพระพุทธเจ้าด้วยการสําเดงอัปปจายนะและในการต่อมาคือเมื่อพระพุทธเจ้าองค์นี้ไปลิขิตพานและพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ ย, ยังไม่เกิดขึ้นโลกว่างจากพระพุทธเจ้าเออันตรกรับว่างจากพระพุทธเจ้าเอช่วงอันตรกรับหนึ่งระหว่างนั้นนะพระปฏิเจ้าเกิดได้เกิดแทรกเข้ามาในระหว่างเนี้นะ ที่ศาสนาเก่าเสื่อมไปศาสนาใหม่ยังไม่มีท่านก็ได้ทำบุญด้วยเสียงคล้ายๆอย่างเก่าอีกมาเกิดเป็นนกอยู่ที่หน้าถ้าในถ้านั้นมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอยู่ในนั้นก็เห็นพันเหลืองเลื่อมใสก็ส่งเสียงบูชาท่านที่หน้าถ้า เหมือนเหมือนเสียงค้อระครังลำลองนี้นะก็เป็นบุญนี่เป็นบุญที่เกี่ยวกับเสียงอยู่ในข่ายของอัปปจายนะกุศลที่ได้ทำไว้เมื่อเป็นในรัจานก็เลยติดเป็นบา ร, รมีติดมาเป็นเครื่องเสริมในทางการให้โอวาดแกภิกษุณีที่เป็นเอตะตะคะของท่านในชาตินี้ต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบองนี้ เราได้ยินใครตะใครพูดถึงท่านบ่อยและประวัติของท่านค่อนข้างจะโลดผลนเหลือเกินเป็นการโลดผลในทางอากุสนิบาคคือท่านชัมพุ ก, กะที่เรารู้จักในธรรมบทว่าชัมพุกกะชัมพุกาชีวกเป็นคนที่มีชะตากรรมอันบหลาดอรหัน์เนี่ยสําเร็จ อ, อริยะสําเร็จกลางถนนก็มีสําเร็จในที่หรือก็มีองค์นี้สําเร็จ ในส้วมอหรหันต์สำเร็จในส้วมนะ่ะส้วมเป็นเรือนกรรมฐานของท่านนะโดยสำนวนเปรียบเทียบนะเออก็เป็นเรื่องที่อ่านดูแล้วก็น่าสะใจ น, น่าสะใจนในความมีบา ร, รมีของสัตว์เนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้าท่านมองเจาะเข้าไปถึงธรรมดาคนอื่นคงไม่เห็นเป็นสำคัญ หรือเห็นเป็นสาคัญด้วยความสาคัญผิดในด้านอื่นก็ได้เหมือนอย่างความรู้สึกของชาวเมืองที่มีต่อท่านชัมพุกะเนี่ยครับท่านชัมพุกะคือคนที่กินอุจจาระเป็นพักษาหารที่เราเคยได้ยินแล้วครับแล้วก็ปักหลักอยู่ในส้วมเลยส้วมสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นอาการสถานที่เหมือนอย่างเดียวนี้ท่านผู้นี้เป็นใคร ที่ไหนท่านเป็นชาวนาครราชสีทร์นั่นแหละครับเกิดในสกุลของคนทุกยากทุกยากก็คืออดอยากยากตนยากจนแล้วก็กำเนิดต่ำซามมากแต่เป็นคนมีบา ร, รมีที่จะบรรลุเป็นพระราหันได้เนี่คือปัจฉิมภวิกษัตร์ที่เสวยกติในชาติสุดท้ายอย่างต่ำซามอย่างยิ่งพูดง่ายว่า สภาพชีวิตเหมือนหมูเหมือนหมาจริงๆอ่ะเหมือนหมูเหมือนหมาจริงๆขอโทษใ น, นไม่ใช่ด่านะเทียบให้เห็นว่าความตกต่ำของท่านเนี่ยคืออย่างนี้ทำทาไมชีวิตของท่านถึงตกต่ำคือตั้งแต่เป็นเด็กแล้วใครให้ดื่มน้ำนมจะเป็นนมสดเนยใสท่านก็แอบไปเททิ้งเสียเหมือนคนไม่กินเหล้า ไม่อยากจะให้เขารู้ว่าตัวไม่กินก็แอบไปเททิ้งใต้โต๊ะทาท่าเหมือนดื่มแต่ไม่ได้กินอ่ะมันแพ้ไงไม่สราบกรรมทําให้แพ้แล้วไปดื่มอะไรได้ดื่มมูดเมื่อก่อนเด็กๆก็กินมูดกินคูดตัวเองพ่อแม่ก็นึกว่าเด็กไม่รู้ความหรือกินมูดกินคูดตัวเองผมยังเคยเห็นเลยประเภทกำลังก้งความเนี่ยพอเออออกมาก็หันคว่ำมากินกอบคูดตัวเองใส่ปาก ก็ไม่ได้เป็นทุกคนเป็นบางคนบางทีพ่อแม่ไปเจอก็ไม่ทนันต้องจับไปล้วงล้างกันอุตรลุ่นวายหมดทีนี้โตขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่เลิกการมันยิ่งหนักยิ่งกินมากขึ้นแล้วไม่กินอย่างอื่นอย่างที่ว่ามาจนกระทั่งญาติพี่น้องแก้ยางไรอย่างไรก็ไม่หายก็จึงพากัน ละทิ้งคือไม่คบด้วยไม่สมาคมด้วยไม่ให้มายุ่งเกี่ยวด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยไปบวชเป็นชีเปลยเออญาติพี่น้องก็ว่าดีบวชเป็นชีเปลยมันเข้ากับลักษณะพฤติกรรมหน่อยเพราะว่าไอตอนยังไม่บวชเนี่ยผ้านุ่งไม่ได้ชิ้นเดียวผืนเดียวก็ไม่ได้้คล้ายว่าถูกต้องผ้าแล้วเป็นอันแพ้ระคายเคืองอายุเรานี่อชนิดที่ไม่นุ่งมีอยู่บ้าง แต่เหมือนจะเป็นคนบ้าๆไปงั้นนะเหมือนคนไม่รู้ความปัญญาอ่อนไปยังงั้นเคยเคยมีเที่ยวปีนอยู่ตามต้นไม้เนะี่ยผมเคยเห็นมาแล้วแต่ว่าประเภทที่รวยก็รวยมีอยู่คนเนี่ยส่งข้าวสารออกนอกแต่เป็นคนที่ใส่เสื้อนอกไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ได้ใ ส, ใส่เสื้อใส่เสื้อใส่จาเป็นนะใส่แล้วก็กลัดกระดุมไม่ได้ต้องปลดกระดุม ไปตามตลตลาดไปกินอาหารตามพัฒการก็ต้องปลดกระดุมบอกหนุ่งกางเกงขายาวก็ไปต้องลงขาสั้นเสื้อในชั้นในใส่ไม่ได้ร้อนระคายระคายผิวก็ไม่ทราบทําตัวมือนคนจนๆ น, นี่ท่าแค่ถอดได้ก็ ค, คงถอดไปแล้วจะทำกรรมมาในลักษณะเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ ก็เป็นนั้นว่าก็ใบบวชใบบวชก็พฤติกรรมที่ทําเนี่ยมันเป็นอย่างเดียวกับที่ด่าพระอาหารหันต์ไว้ที่ท่านเล่าไว้ว่าในสมัยอดีตอดีตนี่ก็คือสมัยพระพุทธกัสปบาทที่เจ้าอง์ก่อนท่านท่านเนี่ยได้เคยบวชเป็นเจ้าอาวาสที่วัดวัดหนึ่งมีอุบาสกาสกุลหนึ่งอุปธรรมอยู่อุปถากิวู่ตอนนี้ก็มีวันหนึ่งพระอาหารหันต์ ผมผ้าปอนๆมาจากป่ามาที่อารามของท่านมาขออาศัยอยู่พอโยมเห็นพระอาหารหันต์นี่ก็เกิดความเลื่อมใสท่านเองนั้นก็รู้สึกว่าท่านทนไม่ได้ที่จะได้เห็นคนในหมู่บ้านโดยเฉพาสะสกุลของอุบาสกุปตากไปเลื่อมใสพระองค์นี้ท่านก็อยากจะให้ไปเวทตาที่อื่นก็ใช้วิธีการด่าว่า ด้วยประการต่างๆว่าอย่างท่านเนี่ยไม่ควรจะโกจะโกรนผมควรจะถอนอะไรเงี้ยคือเ ป, เป็นคําด่าว่าแล้วก็ไม่ควรจะบริโภคอาหารของอุบาสกควรจะกินอุดจละปรสวะแล้วก็เสื้อผ้าอ่าไตจีวังก็ไม่ควรห่มควรจะเป็นชีปเปลยดีกว่าคือพยายามจะว่าเพื่อจะให้ท่านไปหารู้ไห่ว่า ตัวน่าได้ทำบาปอันนี้ในในประวัติที่นี้บอกไว้ชัดเจนกว่าในธรรมบทข้อหนึ่งก็คือว่าพอด่าว่าให้ไปกินอุจจาระปัสสาวะในเวทเนี่ยครับบาลีใช้คำว่าเวทกุดีท่านเองนะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยกรรมให้ผลทันทีวิ่งรีบเข้าไปในในเวทกุดีกอบคูด กอบมูดใส่ปากดังกระคตข้าวมะทุปายาติจากถาดนั้ น, นนั้นเนยวายงั้นนะ่ะทันทีเลยการให้ผลเร็วมากแล้วก็ประพฤติตัวอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตหลังจากนั้นจนกระทั่งตายไปไปนรกแล้วก็ไปเกิดเป็นเปนตรตกรรม ก, ก็ค่อยลดลงมาจนกระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าห้าร้อยชาตินะ่ะนะ ก็ประพฤติตัวอย่างนี้จนกระทั่งถึงชาติสุดท้ายที่มาเป็นมนุษย์เพราะว่าเรามานุษย์ดูว่าตอนที่ท่านทำกรรมกับพระอรหันต์เนี่ยแค่เมื่อเร็วๆนี้เองเร็วๆนี้เองก็คือเมื่ออันตรกรับที่แล้วเมื่อเทียบกับน้ำหนักของกรรมที่ทํากับพระอรหันต์เนี่ยเวลาอันตรกับหนึ่งเนี่ยมันไม่ทันที่จะใช้เวนใจกรรมได้ให้ทุเราไปได้มากเท่าไหร่หรอก ดีดีว่ายังขึ้นจากนารกทันยังนับว่ามีบุญช่วยได้มากเพราะฉะนั้นชาติสุดท้ายท่านถึงเกิดมาในลักษณะที่มีชีวิตประหลาดไม่ห่มเสื้อผ้าไม่อาบน้ำแล้วก็ถอนหนวดถอนผมอย่างที่ได้ไปว่าล่าหลานไว้ใครเข้ามาคนก็มีคนมาเริ่มใส่ เริ่มใส่ในพอนึกว่าท่านมีความสันโดษประพฤติตัวอย่างเคร่งครัดท่านก็ใช้วิธียืนขาเดียวหลอกชาบ้านเขาทําท่ากินลมคนก็นึกว่าท่านกินลมจริงๆกลางคืนกินอุจระพอกลางวันว่ากะว่าคนจะมาผ่านมาเห็นก็หรือคนผ่านมาก็ทําท่ายืนขาเดียวกินลมเนี่ยแล้วก็บอกว่าเวลากินโอจระเนี่ยพาลนาไว้หน้าใครแฉ่ง กลางวันเนี่ยเลียด้วยปลายลิ้นกลางวันยังก็กินไอติมเมือนะ่ะเลียด้วยปลายลิ้นกลางคืนไม่เคี้ยวกินเพราะว่ามันมีสัตว์น่มีสัตว์มามาขึ้นตามอุจจาร ะ, ะก็เลยมองไม่เห็นเดี๋ยวกินๆแล้วสัตว์มันเข้ามาในปากพวกตัวกังสลรกะต่างๆพวกนี้ เนี่ยประพฤติอยู่อย่างนี้ถึงกี่ปีแล้วมาห้าสิบห้าปีก็แสดงว่าตอนที่พบพระพุทธเจ้าเนี่ยอายุต้องเกินหกสิบแล้วริมเจ็ดสิบทีนี้เมื่อพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรากฏว่าถ้าจะพูดอย่างนี้ก็คือคนเหมือนเหมือนกับคนบ้านนะถ้าเดี๋ยวนี้เราก็ต้องบอกว่าพวกคนบ้าเพราะประพฤติตัวไม่เหมือนชาบ้านเขาแต่เมื่อพบพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้า ได้ทรงสเสด็จไปเนี่ยหลังแกที่แปล่ขายพยานแล้วก็เห็นคือพูดว่าพระพุทธเจ้าทรงแรปร่ายพยานล้วเห็นท่านแชมปุกะอยู่ในสุม่มนอกเมืองเลยจะคือมันเป็นสุ่มสาธารณะที่ก็มีไอ้อ่างง่อนหินนะเวลาคนก็มันจะมานั่งตายตรงไหนก็ได้ตายลงไปในในเหวเ อ, อข้างล่างแล้วแกก็มาอาศัยอยู่ที่จะงง่อนหินที่ใดที่หนึ่ง พอใครถ่ายมาแกก็รู้คนนั้นถายเองแล้วก็ไปกินตกกลางคืนไปกินหรือตอนที่พบเบือคนก็กินพระพุทธเจ้าก็ส่งเสด็จไปเสด็จไปแล้วก็ไปขออนุญาตว่าเราจะขอมาพักอยู่ด้วยคืนหนึ่งท่านจะว่าอย่างไรทีแรกแกก็บอกว่าไม่มีที่ว่างอย่ามาอยู่เลยไม่มีที่ว่างพระเจ้า่งก็มองมอ ง, มองแล้วบองโน่งไงที่มุมหนึ่งบอกเอาทายู่ได้ก็ไปสิ ปุตตเจ้าก็ไปอยู่พมนักอยู่ที่นั้นแหมไี่เหมือนไปขาดคอเนะจะไปกินอะไรก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านมาประทับอยู่ในที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็ ท, ทําทีเป็นคนรู้เท่าทัานนะฮะรู้เท่าทัานว่าคํา น, นองมากาซิปกลางคืนมาเทศรู้นะว่าท่านมาอยู่ที่เนี่ยมาทําอะไรรู้นะว่าท่านทําอะไรลวงโลก พอพูดอย่างนี้เขาโกรธไม่ลงอะก็เกิดความรู้สึกเพราะอืดนพราะอมมาแต่เป็นลักษณะของความอายและเสียหน้าว่าคนอื่นไม่มีใครรู้แล้วทำไมสมณะภิกษุรูปนี้รู้นี่พระพุทธเจ้าท่านก็เลยค่อยๆ ค, คืนความคิดให้กลับมาให้คือให้ได้มีความรู้สึกก็มีความหวังใหม่ บอกคํานองบอกให้รู้ว่าไอเนี่ยมันไม่ถูกแล้วก็รู้ว่าท่านเองท่านก็ฝืนตัวเองไม่ได้จึงต้องหลบหลบซ่อนซอนหลอกเจ้าบ้านครัให้เขาเลื่อมใสด้วยอาการต่างๆที่ไม่มีใครรู้ท่านกินกูด๊ดถ้าเราจะช่วยให้ท่านพ้นเนี่ยท่านจะยินดีไหมล่ะปลุกใจค่อยๆดึงความคิดกลับมาให้มีแล้วก็แสดงธรรม พอแสดงทำจบเท่านั้นแหละครับบรรลุเป็นพระโสดาบันทันทีเลยบรรลุเป็นพระโสดาบันไอชจะ ง, งอนหินเนี่ยมันก็เหมือนกับค อ, เ, อเรียกว่าอะไรโถสุ่มเทียบกับเดี๋ยวนี้นะทีนี้เรามาทําเป็นโถสุ่มสมัยก่อนคือจะงงอนหินบรรลุเป็นพระโสดาบัน บนโถส้วมเนี่ยเปรียบนะไม่ใช่โถส้วมจริงๆพอบรรลุเป็นพระอ阿์เป็นพระโสดาบันแล้วพระบุทธเจ้าท่านก็ประทานเอเขาก็จะขอบัญ ช, ชาพระเจ้าประทานเอหิพิคุเลยบวชในส้วมอยู่เหมือนกันบอกว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดกลายร่างเป็นพระภิกษุปันหนึ่งว่าบวชมาแล้วตั้งหกสิบปันศา อยู่ในอาการสงบพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานวิธีปฏิบัติวิปัสนาเลื่อนขึ้นไปก็เลยได้บรรลุเป็นพระอาหารหันในการต่อมาตอนบรรลุเป็นรอาหารหนะันนออกจากส้วมแล้วครับไม่ได้บรรลุในส้วมแต่ว่าบวชในส้วมเป็นโสระบาลในส้วมนี่เป็นประวัติ ที่หน้าขยะขะแยงนะในเบื้องต้นของพระชัมพุกซึ่งเป็นพร ะ, ละหลาไปแล้วต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดท่านเสนกะท่านเสนกะนี้เป็นหลานของพระอุลุเวลักษปปะเป็นลูกน้องสาวก็คือท่านอุลุเวลักษัปปะนะั้นเป็นลุงนั่นเองครับ ท่านอุลุเวลกระสปะเราก็รู้ว่าท่านเป็นใครนะทีนี้เมื่อท่านท่านเกิดในสกุพลพรามละ่ะชาวเมืองพาราณสีจะเมื่อเรียนจบวิทยาการต่างๆก็กรองคารวาดอยู่ตามปกติแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยที่อุลุเวลาที่บริเวณแถวๆอาสมของ ของหลวงลุงเนี่ยครับก็มีงานนกขาาัตฤกษ์ก็ไปไปเที่ยวและในขณะที่มีงานนกขาาัตฤกษ์ครั้งนี้เนี่ยครั้งนี้คือครั้งที่ทําให้ท่านเสนากาออกบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทรงไปเสด็จไปช่วยโอกาสฉวยโอกาสคือไปแสดงธรรมอันนี้ให้เรานึกอย่างนี้นะว่าเวลามีงานมรรสศพเนี่ยสมัยก่อนก็มีมรรสศพหลายอย่างพระพุทธเจ้าจะทรงใช้โอกาสที่คนมารวมตัวกันเยอะ เพื่อจะแสดงธรรมแก่คนหมู่มาแล้วเอาบางคนจากงานมาเข้าวัดเนี่ยก็จะทรงเสด็จไปแล้วไปแสดงธรรมแทรกในโอกาสตอนนั้นไม่ได้ไปทำให้งานก็ล้มอ่ะท่านคงจะรู้จังหวะว่าเมื่ อ, อไหรจะแสดงก็เมื่อไปแสดงธรรมท่านเสนากะซึ่งไปเที่ยวงานอยู่ในที่นั้นด้วยก็เลื่อมใสฟังธรรมแล้วก็บวชในการ ต่อมาแล้วก็ได้เป็นพระหานไปอย่างง่ายๆครับพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงใช้วิธีทรมานอย่างวิจิตพิสดารเหมือนอย่างที่ทรมานลุงอุลเวละกัสปะมาด้วยการแสดงฤทธังเป็นพันอย่างนะนั่นก็เป็นหลานครับบรรลุเป็นพระหานไปแล้วง่ายๆต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสององค์นี้ชื่อว่าสัมภูต ท่านผู้นี้เป็นพระหลังพุทธกาลในสมัยรรมทำธุติยาสังขย า, าคือเมื่อพุทธตล า, าดประมาณพศหนึ่งร้อยศตวรรษที่หนึ่งในช่วงนั้นทตเจ้าบริณิพานแล้วแต่ว่าพระอรหันต์ที่ได้ทันสมัยพระพุทธเจ้ายังพระชนอยู่เนี่ยแล้วก็ท่านบางองค์ยังอายุ ยังเด็กๆอยู่ในตอนนั้นแล้วก็มาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในตอนหลังนี้ก็มีอยู่เยอ ะ, อะท่านสัมพูตะในประวัติศาสตร์ทางรู้ศาสนาจะเรียกว่าสัมพูตะสานวาสีในสมัยนั้นมีพระที่เป็นหลักในการทำทุติยสังขยาเช่นพระยสักร ก, กันตะบุตรพระเรวัตตะที่เป็นพระเป็นกำลังหลักอยู่ในตอนนั้น เหตุที่ทำตัง้งนาก็คือเกิดจากพวกภิกษุวัดชีบุตรที่ได้ยื่นเสนอให้แก้ให้ถอนิิกาบทสิบข้อเช่นให้พระฉันเล่าได้ไม่จะเล่าดีกรีแรงเล่าที่ดีกรียังอ่อนนพวกคุณเดี๋ยวนี้ก็ประเภทเบียร์หรือประเภทในคำพีนใชีคำว่าเล่าที่หมักดองมีสีเหมือนเท้านกวิราบ ดีกรียงไม่แรงพระวัตชีบุตรบอกว่าให้พระฉันได้แล้วก็มีข้อเนื่นอีกท่านสัมภูตาสานวาสีท่านไม่เห็นด้วยต้องการจะให้คงไว้อย่างเดิมทุกประการไม่ควรจะไปลดหย่อนในที่สุดก็เลยต้องรวมภิกษุ ซึ่งในตอนนั้นว่ายังมีพระอรหันต์อยู่ถึงห้าร้อยอ่ะมาทำสังฆยนาขึ้น<ม>เพื่อเป็นแรงสกัดพวกภิกษุกลุ่มวัชีบุตรซึ่งเป็นวัชีบุตรในสมัยหลังเกศการนะครับอย่าไปปนกันนะสมัยพระพุทธเจ้าอ่ก็เลยเกิดสังฆยนาครังนี้ขึ้นอันนี้ก็เป็นผลงานของท่านสัมปูตสานวาสี ต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยเท่าไหร่แล้วเนี่ยเก้าสิบเท่าไหรเก้าสิบสามนะหนึ3 3> ่งร้อยเก้าสิบสามท่านผู้นี้มองชื่อแล้วรู้เลยค่ะพระลาหุนพระลาหุนนั้นเป็นเอตตะคะได้รับยกย่องว่าเลิศในทางการศึกษาในที่นี้ท่านหมายถึงการเอาปฏิบัตินะปฏิบัติ วิปัสสนานั่นเองอรัปฏิบัติภาวนาใหม่ซึ่งโยงไปถึงว่าธรรมเทศนาใดๆที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ท่านสนใจทั้งสิ้นแล้วก็ขยายไปถึงทั้งหมดด้วยเพราะว่าคําสอนทั้งหมดศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อวิปัสสนาทั้งสิ้นไม่มีที่ไม่เป็นประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยท่านจะต้องขึ้นมาตั้งสาตว์วันนี้เราจะต้องแสวงหาความรู้ในธรรมะ ให้ได้เหมือนกับทรายที่เรากํามขึ้นมาจากผืนแผ่นดินเป็นการตั้งสัตว์บอกตัวเอง<ม>ว่าจะให้วันหนึ่งผ่านไปโดยไม่ได้ความรู้ในธรรมะอันเป็นประโยชน์ต่อาการปฏิบัตินั้นไม่สมควรก็ท่านเป็นใครมาจากไหนเราเกียวจะไม่ต้องพูด เ, <ม>เป็นใครครับลูกเจ้าเราไก่ลูกพระ พุทธเจ้าเราเมื่อยังไม่ได้บวชกับพระนางยโสธราพิมพาแล้วก็ที่บวชเนี่ยก็เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระญาติอ่าู่ก็สอนให้มาขอราชสมบัติแม่ขอให้สอนขอสอนให้มาขอราชสมบัติพระเจ้าท่านให้อริยสมบัติเลยเอามาบวชบวชเนี่ยก็ให้ใครเป็นคนอุปชาบวชให้บวชเป็นเอ็นก่อนให้ พระสาบุตรบวชให้แล้วก็ปรากฏว่าเป็นเป็นเนนองค์แรกใช่ไหมเป็นเนนองค์แรกในพระพุทธศาสนาที่มีวิธีการบวชปรากฏชัดเจนในคันตีรกก์ในวิสดารนะครความพิสดารอยู่ในนั้นเดี๋ยวเป็นเนนที่น่ารักมากไกลๆก็ก็รักไม่ใช่ว่าเพราะว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วเพราะสูตรที่เกิดขึ้นเพราะท่านราหุลเนี่ยมากมายหลายสูตรเหลือเกินครับเป็นสูตร เกี่ยวกับปรามาต ธ, ธรรมชั้นสูงทั้งนั้นเลยเถ้าถามว่าท่านลาหุนเป็นพระอาราหันต์เมื่อไหร่เมื่อเป็นเนรหรือเป็นพระฮะเป็นพระก็ต้องอยุยี่สิบสิตอนที่พระพุทธตอนที่ พระพุทธเจ้าออกบวชแล้วก็กลับไปโปรดพระญาติเนี่ยท่านลาหุนอายุน่าจะสักเท่าไหร่ตอนตัสลูพระพุทธเจ้าใช้เวลาปมเพลียนเพียนกีน่ปีหกปีตอนตัศลูนี่พระลาหุ่นอายุเท่าไหร่แล้วหกขวบตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปเยี่ยมพระญาติพรรษาที่เท่าไหร่ ประมาณภาษาที่สองที่สองที่สามเนี่ยนะอก็ตอนไปไปไปโปรดเนี่ยก็ตอนที่พระเจ้าประทับอยู่ที่เวโรวานแล้วส่งพักกาลุธายีไปนิมนต์นะฮะท่านกาลุธายีก็ไปไปบวชซะก่อนนะแล้วก็นิมนต์กลับมาที่หลังตอนนั้นพระพุทธเจ้าจำรรษาแรกที่มรดกตยวัน จำภาษาที่สองที่ที่ไหนเมืองเลยเจคือใช่ไหมที่เวรวนันเมืองเลยเจคือเนี่ยแล้วก็ตรง น, นั้นแหละครับจากเมืองเลยเจคือมาโปรดพปยาเพราะฉะนั้นท่านลาหุนอายุเท่าไหร่เองเจ็ดแปดขวบก็พูดให้มันสวยสว่าเจ็ดขวบที่เข้ามาบวชอายุเจ็ดขวบและพระ ลาหุนนั้นบรรลุเป็นพระอาราหันต์ไม่นานถือบางเอิญไม่ได้บอกว่าวันไหนยังไงนะแต่ว่าสรุปง่ายๆว่าบรรลุก่อนที่จะเป็นพระแน่นอนแต่ว่าพอบรรลุเป็นพระก็ถือเป็นพระเรียกเป็นพระเถระไปโดยปริยาย เ, เรยาเรียกว่าเป็นเถระโดยคุณอลอง ฟังท่านพูดท่านบอกว่าชนทั้งหลายย่อมรู้จักเราว่าราหุลผู้เจริญอที่เดี๋ยวยาราหุลผู้เจริญเป็นคําที่เขาเรียกเป็นคำํำใบเละนะฮะบางทีจะด่าคนนี้เรียกว่าดูก่อนผู้เจริญจะด่าก็ยังเรีาาเยกผู้เจริญเรียกเป็นคำํำใบเละพูดไปอย่างนั้นเนี่ยดีก็ไม่จเจริญจริงแต่แค่นี้ก็จเจริญจริงสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติสองประการ คือชาติสมบัติหนึ่งปฏิบัติสมบัติหนึ่งปฏิบัติสมบัติก็อย่างที่ท่านได้รับยกย่องจากพุทธเจา้าเราเป็นโอรสของพระพุทธเจา้าพูดอย่างนี้ถูกไหมโอรสของพุทธเจา้าตรงนี้นะท่านพูดท่านหมายเอาพุทธชินโนรสในความหมายทางลึกแล้วครับมุ่งเอาความหมายทางลึกแต่ว่าเวลาเราพูดว่าพระพุทธเจา้าอย่างเช่น พระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกขรกิริยาเนี่ยเอาก็จริงแล้วก็ว่าไม่ใช่พุทธรูปแต่บางทีเราก็พูดอนุโลมว่าพระพุทธรูปคือพูดจากปัจจุบันย้อนไปไงเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปพูดว่ากระดูกพระพุทธเจ้าความจริงก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระเจ้าบริญิพานไปแล้วนะเกิดถึงจะเรียกกระดูกถึงจะเรียกรูปก็ก็เรียกโดยอนุโลมไปแต่นั้นแหละครับเพราะนั้น พระพุทธเจ้าเมื่อตอนยังเป็นเจ้าชายศรีสัชะเราก็พูดออกพระพุทธเจ้าพูดอนุโลมย้อนหลังเหมือนเราบอกว่าพ่อแม่เราเมื่อยังเด็กพ่อแม่เราเมื่อยังไม่ได้แต่งงานเราเห็นรูปเราก็บอกนี่รูปพ่อเราพูดอนุโลมจากปัจจุบันย้อนไปก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่พูดไม่ได้ทีเดียวแต่ในที่นี้ท่านหมายเอาอเป็นลูกในทางธรรมะแล้วว่าและเป็นผู้มีปัญญาเห็นธรรมทั้งหลาย คือเพราะอาสวะของเราทั้งหลายเพราะอาลาสาวะของเราสิ้นไปและพบใหม่ไม่มีต่อไปเราเป็นพระอาหารหันต์เป็นทัตตินิยบุคคลมีวิชาสามเป็นผู้เห็นนามาตตาธรรมสัตว์ทั้งหลายเป็นดังคนตาบอดนะก็นี่เป็นคําพูดของท่านอ่านแค่นี้นะต่อไปครับ 194. องค์ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่องนี้ชื่อว่าท่านจันทนะท่านจันทนะ เ, เกิดในสกุลก้าบดีชาวเมืองสาวัตถีก็ตอนสมัยที่คลองเรือนเนี่ยได้ฟังธรรมพุทธเจ้าเป็นโสดาบันก่อนนะตอนฟังธรรมฟังธรรมแล้วเป็นโสดาบันคล้ายๆนางวิสาขาแล้วก็ยังคลองเลือนอยู่ก็ั้งแต่งงานแต่งการมีบุตรคนหนึ่ง พอมีบุตรคนหนึ่งก็บรารมีแก่พอจะออกบวชก็เลยลาครอบครัวออกบวชบำเ พ, ญพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในป่าก็มาเฝ้าพทธเจ้าตามการอันสมควรนะแค่นี้ในระหว่างนี้ยังไม่ได้เป็นพระราหานข้างฝ่ายภรรยาก็อยากแให้ศึกไม่อยากให้บวชนะก็เลยพาลูกพาบริวารมาหาท่าน ขอให้ท่านศึก อ, อท่านเห็นภรรยามารู้ความมุ่งหมายท่านก็คิดว่าเอ๊ะทยายังไงถึงจะไม่ศึกเดี๋ยวเราก็ใจอ่อนอาจจะศึกก็ได้ก็เลยคิดว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้พ้นวิสัยที่จะต้องศึกอ่าตรงนี้คําว่าทําอะไรเนี่ยคือทํากับตัวเองนะเพราะฉนั้นท่านก็รีบเร่งบาเพ็ญความเบียนเลย กนจะได้ไม่มีเหตุที่จะทําให้ต้องศึกอีกต่อไปไม่ไปใจอ่อนต้องศึกก็เลยรีบเร่งบวามเพียรความเพียรเลยได้เป็นพระอราหันต์ตอนนี้ครับตอนที่ว่ากลัวจะศึกไม่เป็นอรหันต์ก่อนเดี๋ยวโดนจับศึกแตคิดอย่างนั้นเลยเป็นอรหันต์ไปเลยที่เมื่อเป็นอรหันต์เนี่ก็เป็นอรหันต์มีฤทธิ์มีปิญญาด้วยนะครับเหมือนกับพระอราหานุคนอื่นที่เราในทสมัมพุทธกาลที่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีปัญญามีน้อย ผมเลยไปถึงอีกองคหนึ่งครับองค์ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าชื่อว่าท่านธรรมมิกะนี่เกิดในตระกูลพระรามชาวแควนโกสนก็ได้พบพระพุทธเจ้าวันที่เสด็จรับพระเจตวันแล้วก็มาบวชทีนี้เมื่อบวชแล้วท่านได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วิหารแห่งหนึ่งใกล้ๆหมู่บ้านหนึ่งไม่ใช่บ้านท่านหรอกนหมู่บ้าน ของชนทั้งหลายทีนี้ลักษณะของท่านเนี่ยท่านมีลักษณะไม่ดีดังต่อไปนี้คือเป็นผู้เพ่งโทษในวัดและไม่ใช่วัดของภิกษุผู้เป็นอังคารทุกกาทั้งหลายคือหมายถึงภิกษุที่มาวัดท่า น, นท่านเป็นคนชอบตําหนิชอบจับปิดเป็นลักษณะ<ม>เป็นอันธภันทางความคิดไอ้นูน่นไอ้นี่ก็ไม่ถูกตาคอยติคอยว่าโดย ไปผิดว่าเป็นถูกถูกว่าเป็นผิดอะไรทำนองอย่างนี้มั่วไปหมดนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนไม่มีความอดทนคือทนต่ออะไรอะไรน้อยความข่มใจท่านไม่มีอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนที่มีอาการเพ่งโทษนะครับมักจะเป็นคนไม่มีความอดทนซึ่งเป็นเรื่องเสียในที่สุดเนี่ยเพราะเป็นคนอย่างนี้ วัดของท่านที่ท่านเป็นจเจ้าวาดจึงเหลือท่านอยู่องเดียวจบาบ้านก็หนีหมดอยู่ไม่ได้แขกก็ไม่ค่อยมามาก็อยู่ไม่นานพวกพระที่จะอยู่ก็วัดก็อยู่ไม่ได้เลยต้องอยู่ององเดียวเรื่องอย่างนี้นะผมเคยเจอมาจริงๆครับประเภทพระที่ทั้งวัดมีท่านอยู่องเดียวเนี่ยเต่๋ยผมไปอยู่กับท่านมาแล้วท่านมีลักษณะอย่างนี้จริงๆอะ เป็นคนที่อะไรอะไรท่านก็ทนไม่ได้ไม่ชอบไปหมดแล้วก็ไม่พูดอะไรเดี๋ยว